กโอการของพรกกรมคณะสงฆ์เจริพรเจริญในทำมายังหลกหลกสามเณรแล้วลล ก, กว็คนเมชีอุบาสกอุบาสิกาทุตุก่านเราก็มาร่วมกัน าหนึ่งอีกวันหนึ่งทำกิจวัตรประจำวันทำวัดจุดมนตตอนเช้าเราก็รวมตัวกันให้เกิดคุณภาพปริมาณมันก็เป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อ ที่เราก็มารวมตัวกันโดยเห็นประโยชน์มาเราเห็นแล้วเราเอาประโยชน์เอาประโยชน์จากกายจากใจของเราอ่ระเบื้องต้นเรามีความเชื่อมีศรัทธา ต่อการเข้ามาศึกษากายใจของเราเอามงคลต่างๆที่มันมีอยู่มาน้อมปฏิบัติให้มันเกิดในตัวเราประโยชน์ของรูปธรรมประโยชน์ของนามธรรม โดยเราใช้วิธีการใช้รูปแบบการปฏิบัติการฝึกสติแนวเคลื่อนไหวเพื่อให้สติปัฏฐานมันว่องไวจนรู้เท่ารู้ทันเกิดเป็นสติสีลสมาธิปัญญาเกิดเป็นไววพิปฏิพาน เกิดเป็นละกษณะของจิตที่มันมีพื้นที่มีที่อยู่ก็คือความเป็นปกติราะการที่เรามารวมตัวกันกเพื่อที่จะปฏิบัติกายใจอะไรมันยิ่งยงข่งนไปมีความเจริญมีความงอกงาม มีความผาสุกมีความสวยงามเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตรงนี้แหละมันจะเป็นกําไรชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นชีวิตที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีความเป็นปกติมีความผาสุกร่อเลี้ยง จนมันเหมือนกับว่ายิ้มได้มาไผมาช่วงนี้ป็นช่วงเทศกาลซึ่งยอดผูด้เสียชีวิตก็กระชูดเลยเป้าที่ก็ตั้งกันไว้ทุกปีมันเป็นเทศกาลของการเส้นสองเบยโชคดีก็รอดโชคร้ายก็หมดชีวิต ของเรามารวมตัวกันมันก็เห็นความปลอดภัยรูลบเป็นปีกรู้หลือเป็นหนางเราก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างปลอดภัยถึงจะมีปัญหามีความทุกข์บ้างมันก็เป็นเรื่องเล็กๆของโลกใบนี้ที่เราจะต้องเผชิญ ตังความสุขตังความทุกข์มันก็เป็นรสชาติของโลกปฏิเสธไม่ได้ในโลกมันมีการกินเกียดในโลกมันมีลักษณะของคุณของโทษถ้าใช้เป็นก็เป็นคุณถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจ มีอาชีพมันมีการงานมันมีหน้าที่มันจะต้องเกี่ยวข้องมีทรัพย์ภายนอกมีทรัพย์ภายในใเราก็จะต้องน้อมกามาใส่ตนทรัพย์ภายนอกก็คือสตางเงินทองเกิดจากอาชีพการงานต่าง ความสุจริตาตางหรือวเงินนะก็คือธนาบัตรคือเหรียญสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายสามารถไปจับใจ่ายใช้สอยซื้อปัจจัย4 5 6 7 8 9 10ทัที่ในโรคนี้ก็จะมีให้เราได้ ไใช้จนเกิดความสะดวกความสบายเราหามามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของสมมุติบัญญัติที่สังคมมีกลไกมีเกมเกมระหว่างความรวยความจนมีนกลไกของระบบเศรษฐกิจต่างๆเศรษฐกิจโลก เงินบาท อ, อ่อนเงินบาทแข็งช่วงนี้ถือว่าแข็งที่สุดอริยสัพภเยในก็เรียว่าจนใจก็ค่าตัวตายจนเงินไ ม, ม่มีข้าวกินสติสัมปชัญญะมันเป็นอริยสัพภเยในสติสามารถชำระนิยกรรม ในตามกฎของธรรมชาติมันสามารถชำระนี่กรรมด้ตามกฎของธรรมชาติเพราะว่าวิตของเราเคยคิดเคยพูดเคยทำมาเป็นกรรมมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมีผลเป็นวิบากให้ผลเป็ดร้อน พูไม่ดีมีผลกลับมาก็คือก็ทําไม่ดีเพืูดไม่ดีกับเราเคยทําให้คนอื่นทุกข์เราก็ทุกข์เพราะความคิดของเราที่มันลืมไม่ลงเหมือนรอยมีดกีดบนดินเหมือนรอยมีดกีดบนหินเราก็มาฝึกหัดปฏดกรรมก็ให้เหมือนกับรอยมีดกีดบนในน้ํา เหมือ น, น้ําที่มันควรพายเรือไปกี่ลำก็ไม่มีใครรู้แล้วไม่มีรอยเหมือนมีกิดลงมากรีดแป๊บๆสนิทคืนเหมือนเดิมใจของเราเป็นเหมือนกับน้ำตัว ก, การกระทบแล้วก็ไม่มีรอยก็นั่นแหละเป็นเรื่องของความฉลาด นินทางไม่ได้มีปัญหาสรนเสริญก็ไม่ได้มีปัญหามีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศไม่เป็นปนัญหามันเป็นปัญญามันถูกรู้เท่ารู้ทันให้ตัวรู้ตัวนี้ เ, เรามาฝึกมาหาดกันรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวตอน ต, ตื่ยันหลับฝึกกลางรู้สึกตัวไปอาการเครื่องการไหว มันเป็นกุศโลบายมันการเป็นการเดินทางมันเดินไปสู่ความเป็นปกติคืนสู่ความเป็นปกติเดิมทีมันไหลไปสู่ความผิดปกติเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็เดินกลับมาสู่ปัจจุบันกันนะรู้นะ้อรู้ตัวเกิดความเป็นปกติกันตรงนี้มันเป็นการรักษา ทำให้โรคใจของเามันก็เบาๆบางๆจางกลายหายจากโรคได้มีความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ได้มีความเป็นปกติทุกครั้งนี่รู้สึกเคลื่อนไหวการเดินการนั่งกับริบตาหายใจเราก็แยกๆนิดนึงมันมีความเคลื่อนไหว ที่เกิดจากความเป็นเองอันนี้ประการหนึ่งเช่นกับปิปตาหายใจลมมากระทบนั่งแล้วล่ก้นสัมผัสกับพืน้นเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นเองอีกอันก็คือความรู้สึกตัวที่เราผลิตขึ้นมาเจตนาผลิตเจตนามเป็นกรรมฐาน ใหม่ๆเป็นอย่างนั้นเจตนาเคลื่อนไหวหการเคลื่อนมือทิศสี่ชั่งละเจตนาใส่ใจไปกับการเดินจงกรมมันเป็นการฝึกหักจิตของเราที่เคยเจตนาคิดดีพูดดีทําดีเจตนาคิดชื่อพูดชั่วทําชั่วก็มีผลถ้าไม่ได้มีเจตนามก็ไม่มีผลมันเป็นกตต ก, กรรมหรูปกรรมที่เป็นโมฆะ ถ้ากรรมฐานเราไม่ใส่ตัวเจตนาลงไปเบื้องต้นบนีนะจะเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีทำงานตั้งเดือนแต่ไม่ได้ตังค์เพระเจตนาคือกรรมเมื่อเราทากรรมฐานก็ต้องยอมรับนะการเจตนาสนใจใส่ใจการกากับการกดมีกรอบมีเกณฑ์มีกรอบมีเขต ปัจจุบันกานานาั่นแหละมันคือกรอบคือขอบคือเขตความทุกข์เกิดในอดีตความทุกข์เกิดในอนาคตคิดไปอดีตก็อาลออัยอาวคิดไปอนาคตก็วิตกกังวลคามกางนับรู้ความลูกตัวในการเคลื่อนไหวปัจจุบันก็นานตละดนานนั่นแะมันคือเจตนาพออยู่กับปัจจุบันเห็นกายตามความเป็นจริง มันปวดก็เห็นแล้วปวดปัสสาวะก็หิวแล้วก็หายน้ำก็หิวแล้วหิวข้าวก็หิวแล้วปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเห็นแล้วมันจะเห็นของจริงมันหนามันร้อนมันอ่อนมันแข็งมันเก็กมันเกร็งมันเป็นยังไงเราก็จะได้เห็นมันจะได้ผ่อนคลายเราได้เห็นจิตใจของเรา ที่ให้มันรู้นืรู้ตัวอยู่กับความรู้สึกพื้ฐานมันก็นจะไปตามนิสัยหความเคยชินคุ้นชินเคยมีจริตอย่างไรโทวสะจริตโมหจริตโลภะจริตลาภะจริตวิตกจริตมันจะไหลไปตามความเคยชินของมันอันนี้ก็ไม่เป็นไรก่อนมาฝึกมหาหัดมันก็ไหลไปอยู่แล้ว ลงกกบเกลื่อนกบเกลื่อนเหมือนไฟใต้แกลบเหมือนกับไฟใต้น้ำยังร้อนคุอยู่เลยข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งแต่วางในร้อนลุ่มเราก็เลยมาฝึกมหาหัดให้กายมันเคลื่อนไหวใจหยุดรู้การนี้พอมันหยุดรู้มันก็มีฐาน เราเห็นพฤติกรรมของมันธรรมชาติของจิตมาสแสดงออกมานะหรือตัวเรามีทั้งความขี้เกียจโผล่มาความเบื่อความเซ็งหม้ายเหงาว้าเหวขณะที่อยู่คนเดียวอยู่ไม่อยู่สุขต้องหาอุปกรณ์หนึ่งสองสามอกรณหนึ่งสองสามเราก็เลยได้เห็นการโตอตอบตักตวง มันจะไปเราไม่ไปมันจะควนเชิญหลงเราก็ไม่ไปเราก็รู้เนื้อรู้ตัวการฝึกการหัดเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศตัวใครตัวเราที่ต่างคนต่างฝึกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปีิวิเวกต่างคนต่างรักสันโดษอยู่คนเดียว นั่งเดินยือนนอนรู้สึกรู้สึกนฝะึกหัดกันมันจะเกิดการทำเป็นขึ้นไนหะมธรรมะคือธรรมาชาติมันเป็นไปได้มันเป็นของดีมันดีดีมากดีที่สุดขึ้นอยู่กับพัฒนาการของกายของเราทำกายวาจาใจของเราให้ดีดีมากดีที่สุดถ้าความรู้สึกตัวมีมาก มันก็ดีมากถ้าความรู้สึกตัวมีมากที่สุดมันก็ดีที่สุดพอเกิดปัญญาขึ้นมามันเป็นปัญญาที่ทะลุทะลวงพ้ปัญหาทั้งปวงมีกายก็ไม่เอากายเป็นปัญหามีความคิดก็ไม่เอาความคิดมาเป็นปัญหามีสมมติบัญญัติต่ตางๆเต็มโลกก็ไม่เอาสมมติบัญญัติเต็มโลกเป็นปัญหามองจะเห็นเป็นประมตทสภาวะธรรม มันเห็นความจริงจริงๆทั้งดีทั้งถูกต้องทั้งเป็นประโยชน์ทั้งดับทุกข์ได้จริงเพราะทุกข์มันเกิดที่ความคิดออกมาจากความคิดมันก็รู้สึกมันก็ดับทุกข์ไปแล้วได้เห็นหรือไม่เห็นแล้วเห็นอีกเห็นซ้ําๆจนชานาญเห็นจนเป็นประสบการณ์เกิดเทคนิคเกิดทักษะขึ้นมาในการที่จะผ่านปัญหาทั้งหมด อันนีเ้เราจะได้ทำหน้าที่หน้าที่ที่มีเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันบุคคหนึ่งสองสามตูหนึ่งสองสามตามสมมติตามลักษณะของมงคลที่เมื่อกี้เราสวดกันมาทั้งหมดมงคลสาสิปดเป็นคนที่เอื้อเฟื้อต่อยาต่อสรรพสัตว์สรรพสิ่ง เ ร, เราฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆจเป็นประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวเป็นประโยชน์ตนแต่วก่อนปฏิบัตินี่เป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคืออยู่คนเดียวก็มีความทุกข์ะนะแต่ว่าขนไกวสแสวงหาโลภมากอันนี้อยู่คนเดียวจะมีความสุขมีความทุกข์แต่พอล้วนะของการฝึกหัดรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นความสุขเป็นความสุข พูดไปัิญญพันกันเวลาพูดเนี่ยมันมันใช้พลังงานต้องลำดับต้องเรียบเรียงมันก็ไปหมอเั่าแหละตัว น, นี้แหละให้ฝึกตนสอนตนกันให้ดีๆก็ฝึกตนสอนตนให้ดีก็คือรู้สึกตัวรู้สึกตัวเกอนไวรู้สึก ใ น, นการปฏิบัติธรรมของเราเนี้เราจะเห็นว่าประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านก็คงไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่ามันเดินทางเส้นทางเดียวกันสู่มรรคสู่ผลทุกครั้งที่รู้จุกตัวมันเกิดการวางกายวางใจไ ม, ม, ม่อาจจะเพ่งจ้องจี้แก๊กเกรงเก้อเขินกลัวจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมา พอเราฝึกไปฝึกไปเราก็จะเห็นมันมีอาการเก็บกดเกิดขึ้นมาที่อยากได้ที่เคยทํามันก็ไม่ได้บางคนติดกาแฟนะพอปฏิบัติต้องอดกาแฟี้ยมันมันเกิดอาการขึ้นมาเลยบางทีเราก็เคยพอได้เวลาต้องสูบบุหรี่พอไม่สูบบุหรี่ขึ้นไงอย่างเช่นเราทานอาหารเสร็จต้องสูบบุหรี่ ตื่นขึ้นมาระหว่างเข้าห้องน้ำต้องสูบบุหรี่พอไม่สูบมันก็หิวนีโคตินมันสั่งเราก็เก็บกดพอไม่ได้เติมเชื้อให้มันหรือ ว, ว่าให้อาหารมันมันก็เรียกร้องหนึ่งวันสองวันสามวันหลายๆวันมีอาการลงแดงเกิดกับมันก็เกิดการชดเชยแสบในมันที่เพิ่มขึ้นแล้วมากพาเก่า มันก็เกิดจากความคิดของเราหนะล่ะแเสจึงติดปฏิติดจึงอยากาอยากจงแสบเพราะนั้นพอเราไม่ทำปับ๊บมันก็มีผลทันทีแต่พอผ่านไปได้มันก็เป็นการฝึกต้นสอนตอนลดละเลิกเราเหน็นว่าเออมันก็ต้องฝืนพอสมควรหรือบางทีากา็กมีอาการกล่อมอาการกล่อม ก็คืออาการที่มันคิดถึงความดีความงามนะของบุคคล1นึสคิดถึงคำพูดนะคำสวดคำสอนมันก็มากล่อมตัวเองบอกกับตัวเองบางทีก็มีอาการอยู่กความสุขในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเป็นความสงบเป็นปีติ เป็นความเบากายเบาใจเราก็จะมีการระลึกนึกถึงนึกถึงว่ามันเคยสัมผัสมาตอนเนี้ยอยากได้ก็ไปควานหาระลึกล้วงเอาอันนี้เป็นอาการกล่อมหวังว่ามันจะได้อีก การเหานี้มันก็นจะสอนทิศทางให้เรากําหนดรู้ถึงสภาวะของปัจจุบันขณะซึ่งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อยู่เสมอที่แล้วก็แล้วไปที่แล้วก็แล้วไปอยู่ขณะปัจจุบันปัจจุบันขณะเริ่มใหม่ทําใหม่ตัวนี้มันใช้เจตนากระทําทําไม่ได้เจตนามันจะไหลไปตามเชื่อเก่า หรือบาทีมันมีสภาว่าของการกบเกลื่อนไปอาการที่เรากบเกลื่อนไปก็คือมันก็เปลี่ยนแลน้วนะของการการโมโหโธโสความโมโหโธโสหรืออาการที่มันหลงเผลอแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นลนักษณะของการกบกบเกลื่อน เช่ลนลักษณะของความเมตตาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เรามีความโลภความโกรธความหลงเป็นอาการที่มันเป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็ทําในสิ่งที่เป็นตรงข้ามขึ้นมาเช่นวันสงกรานเนี่ยนะเร า, า จ, จะ ไปหาญาติพี่น้องหลายคนแล้วก็เราอาจจะยังมีอาคติกันอยู่เราอาจจะยังมีอารมณ์ตกค้างกันอยู่แต่เราก็จาเป็นต้องมาเชิญหน้ากันตอนหน้าเราจะได้เห็นเลยจิตใจของเรามันจะมีพฤติกรรมแสดงออกมาเลยอาการทเยเก็บกดหรือว่าเคย กล่อมตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นบำเพชิญหน้าปั๊บมันจะมีอาการกรบเกลื่อนเกิดขึ้นนะมันจะแสดงออกปากอย่างใจอย่างทันทีอย่างนี้นะมัก็จะมีบางทีมีการให้วัตถุสิ่งของต่างๆเป็นอาการกรบเกลื่อนแต่ว่าข้างในยังไม่หมดยังมีอาคติฝังลึกอยูนะ่มันจะแสดงตัวให้เราได้เห็นนะ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะเวลาปฏิบัติธรรมนเป็นอาการที่เราจะต้องชำระล้างมนตินเครื่องเศร้าหมองที่มันตกตะกรนอนก้นอยู่ก้นเบื้องในกรมลสันดานแลกะวานะนิสัยอว่นิสัยสันดานมันจะแสดงออกมาหลังจากที่เราควรมันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนการหน่วนะเหมือนกการควรควรให้สภาวะธรรมต่ า, างๆที่มีอยู่ปรากฏ เราได้รู้เป็นปัญวาขณะเหมือนกันการเคลื่อนการไหวนี่เราใช้เป็นหลักแต่อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมามันเป็นเครื่องเรือกรูปโดยที่เราไม่ต้องร้องขอไม่ต้องเรียกร้องมันจะปรากฏออกมาทันทีตามกำลังของสติของปัญญา เราก็จะสามารถรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ก็้งแต่หยาบไปหาละเอียดเกลีดอย่างหยาบเช่นความโลภความโกรธพวกนี้หยาบเกลียดอย่างกลางเช่นปฏิบาตละง่วงตัวนี้เป็นกลุ่มของนิวรธรรมซึ่งละเอียดความคิดฟุง้งซ่านความเมสงสงยการพยาบาทาละเอียดแต่ว่ามันก็เป็นระดับกลางน อย่างที่เป็นอย่างละเอียดจริงๆเลยก็คือสภาวะที่ปฏิบัติแล้วกเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความสุขแล้วก็อยากได้เป็นความสุขจากการปฏิบัติความเบากายเบาใจนะและ้วหนี้เราก็จะเหมือนกับว่าประคับประคองจะให้ความสุขมันอยู่กับเรานา น, านๆอยากให้ความเบาอยู่กับเรานานๆพอทําก็เราก็คิดถึงแต่ความสุข เภทนี้ก็จะกลายเป็นคนติดดีติดบุญบางทีมันมีก็นนะปฏิบัติมันเกิดสภาวะของอารมณ์บุญขึ้นมาอยากทํานั่นทนํานี่ทำโน้นคิดนะมันเกิดขึ้นมาจริงๆเพราะว่าหลังจากที่มันระลึกบาปได้ระลึกโทษได้มันกจะกลบเกลื่อนทันทีเป็นอารมณ์บุญเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นกลุ่มของอารมณ์ปิติ กลุ่มของอารมวิปัสสนานั่นแหละบางทีก็เกิดเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าจิตญาณจิตญาณแล้วก็วิปัสสนามันก็รองรับอารมณ์พวกนี้ทั้งหมดเลยคนบ้าสังเกตดูก็ยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสใเดินยิ้มตลอดก็เห็นเดินไปยิ้มไปบางทีปฏิวัติธรรมมันก็มีอารมณ์แบบเนี้ยหล่อเลี้ยงอยู่แต่ว่าไม่รู้สึกตัวนะมันหลงอยู่ในอารมณ์ เป็นโทนของสมาธิเป็นสมถากรรมฐานมันจะปรากฏขึ้นมาเราก็เลยเรารักษนาได้ว่าเห็นทุกอารมณ์ไม่ปฏิเสธแต่ว่าต้องมีหลักกรรมฐานก็คือรู้รู้ให้ถูกเจตนากาด ร, รู้ความรู้สึกตัวตัวนี้จะนั่งทยสุดมันเกิดความนุ่มนวลเกิดความอ่อนโยนเกิดความสมดุล จะเกิดพัฒนาการที่เรียกว่าทำได้เรื่อยๆในรูปแบบนอกรูปแบบไปไหนให้ความสึกตัวมันก็จะแสดงตัวออกมาตัวสารพางกายมันจะเป็นการรู้รอบอารมณ์ทุกๆอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละขณนะตัวนี้เราจะเป็นความว่องไวของสติของปัญญาเป็นไหวพิปฏิพันธ์ทนกลายเป็นเกราะ ป้องกันจิตของเราให้ปกติไม่ให้ไหลสู่ความทุกข์จะตั้งทําอะไรทางกายวาจาใจเกิดโทษขึ้นมาไม่เป็นโทษมันมีแต่ธรรมชาติคิดพูดทําเป็นธรรมชาติมันเป็นความรู้สึกตัวก่อนคิดความรู้สึกตัวก่อนพูดความรู้สึกตัวก่อนทําความรู้สึกตัวขณะคิดขณะพูดขณะทำมันจะเป็นความเป็นกลาง เกิดความเป็นกลางเกิดความกลมกลืนเห็นโลกตามความเป็นจริงให้เกี่ยวข้องถูกต้องมันก็เหมาะกก่การทําหน้าที่ต่อไปจะประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวก็กลายเป็นเรื่องของชุมชนกวางออกไปชุมชนเป็นเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของสังคมหรือเป็นเรื่องของมนุษยชาติตั้งโลกกว่าได้มันก็เห็นอกเห็นใจกันนะ มนุษย์เจ็ดพันบาลานคนเป็นอันเดียวกันก็คือรู้สึกตัวเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวของเราแล้วที่อย่าไม่เป็นโทษกันทางกายวาจาใจของเราตรงนี้มันก็จะเห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นรูปโลกนามโลกเห็นเป็นรูปเป็นนามเมื่อก่อนเห็นเป็นกลัวเป็นเองเป็นเราเป็นเขาเป็นผมเป็นคุณ ตอนนี้เมื่อเห็นเป็นเรื่องเหมือนๆกันนั่นแหละเขาโกรธเราเคยโกรธเข้าทุกเราเคยทุกเนี่ยเขาไม่รู้สึกเราก็เคยไม่รู้สึกก็ไม่ว่ากันตรงนี้แหละขาจริงไหนไปหาจริงนั้นเติมเติมเต็มเรียกว่า บ, บาลมีทุกสิ่งทุกอย่างจึงคือบทเรียนเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละท่านซึ่งเหมือนกันทุกคนเมาเราเห็นเป็นทุกเราก็ต้องเห็นนะ เตุแท่ทุกเห็นการก้าวล่วงออกจากความทุกข์วิธีการดําเนินสู่การพ้นทุกข์มันเหมือนกันบางคนก็ยังทํานึ่งที่เราเคยทํอย่างนี้เราก็ไม่เป็นไรเราก็รอได้คอยได้อยู่กันยังผาสุขการกระทบกระเทือนก็ตั้งน้อยที่สุดควาเป็นชีวิตส่วนตัวส่วนตัวของกครของเราที่เราเห็นแล้ว ว่าความรู้สึกตัวไม่มีคนมีค่าเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรเราก็เคารพกันเคารพทั้งกุศลทำเคารพทั้งอกุศลเคารพกุศลธรรมทำเราก็น้อมเข้ามาใส่ตัวแล้วก็ทําต่อไปเคารพอกุศลแลรวทำกิจการที่เราไม่ทําตามอารมณ์ความรู้สึกความคิดนะ มันก็เกิดมาเหมือนกับว่ามันเป็นความเป็นเองเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของกรรมฐานที่มันจะต้องพาไปไหลไปเอียงไปสู่การพ้นทุกข์เกิดความฉลาดขึ้นมาเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นบวกเห็นลบมันก็มีทางสายกลางจริงๆมัชฌิมาปฏิปทาตัวนี้ยมันพาเราเดินสู่ความเป็นมงคลของชีวิตเราเอภิมงคลทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีอยู่นก็ เบาๆ บ, บ, บางๆจางกลายหายไปเพราะฉะนั้นการที่เรารู้เท่ารู้ดันความคิดตรงนี้มันประเสริฐ จ, จริงๆความคิดไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นโทษหรือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะมองข้ามไม่ใช้อีกต่อไปก็ไม่ใช่นะความคิดมันมีประโยชน์นะบางอย่างมันลักคิดขึ้นมาแต่ว่ามันลักคิดในทอนกุศล นโทนบุญในโทนของความฉลาดมันก็มีเหมือนกันอันนี้เรียกว่าตัวปัญญาเราไม่ได้เจตนาคิดตั้งใจคิดอะไรแบแวบขึ้นมาแล้วมันก็จริงซะด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นตัวปัญญาแต่ว่ามันเป็นปัญญาที่เหมือนกับว่าเกิดจากการฝึกกันหัดมันจะเกิดเป็นลักษณะของการรู้ลวงหน้าเล็กๆหรือว่าลวงหน้ามากๆมันจะมีมันอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวละคิดที่พาไปสู่อคติ หรือพาไปสู่นรกเสมอไปมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานก็ได้เหมือนกันมันมีอยู่แต่ว่ากลไกของความคิดที่มันเกิดขึ้นเองเราต้องรู้เท่ารู้ทันมันตรงนี้แหละจึงไม่ห้ามความคิดความคิดนี่ไม่ห้าเวลาปฏิบัติธรรมให้มันคิดลงไปยิ่งรู้สึกตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความคิดมากเท่านั้นมันคิดทั้งวันอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเราคิดไม่น้อยกว่าวันละ 60,000 เรื่องอย่างเงี้ยจริงหรือไม่แต่เรามานั่งนับเป็นจริงโหมันจริงฮนะมันเป็ น, นกลไกของมันมันคิดตามเรื่องตามราวของมันตามเหตุปัจจัยของมันแต่ว่าถ้าเรามีสติปัฏฐานเราเห็นว่ามันคนละชั้นกันสติมันจะอยู่สูงๆความคิดมันอยู่ต่ําๆความคิดจะอ ย, ะอยู่แต่ว่าการที่มันยังอยู่ยังมีอยู่ทําไม่ทําให้เราทุกข์ ตรงนี้มันจะเป็นลนักษณะของตัวปัญญาที่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนความรู้สึกตัวนี่มันเป็นความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ว่าปุถุชนคนทั่วไปนี่ไม่ไม่ได้กลับมารู้สึกที่กายอย่างเช่นว่า ช่วงสงการเทศ ก, กานะลเนี่ยราเรเห็นว่าคนที่เาเล่นสงการกันอยู่บางทีเขาก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาการแสดงออกต่างๆเขาก็มีความหนักแน่นมีความรักในสิ่งที่เขากลังทำกันแต่ว่า มันเจอได้ความหลงหลงธรรมสติมันมีมิจฉาสติแล้วมันก็มีสัมมาสติสมาธิที่มันมีมิจฉาสมาธิแล้วมันก็มีสัมมาสมาธิก็คือมิจฉาคือออกไปอย่างเดียวนะส่งออกทางรูปรสกลิ่นเสียงวัตถุกรมคุณแต่ว่าการที่กลับมาตัวนี้มันถึงเป็นลักณะของสัมมากลับมากลับมาขวัญมาขวัญมามันจะมีตัวเราอยู่ มีกายนั่งอยู่มีกายเดินอยู่มีการเคลื่อนไหวสัมผัสกระทบชัดเจนแล้วหนาของปัญญาก็เหมือนกันทุกครั้งที่เคลื่อนไหวอย่างเี้นะมันเป็นลักษณะของสัมมาปัญญาเป็นปัญญาที่พาพ้นทุกจริงๆทุกครั้งที่รู้สึกตัวจิตเป็นปกติจริงๆเนี้ยมันมีความแตกต่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลักษณะของการฝึกการหาจะต้องมีตัวเราอยู่เสมอ ก็ว่าตัวเราตัวนี้คือรูปธรรมวัตถุรูปธรรมที่มันจะต่อเชื่อมต่อหาโลกทั้งใบเป็นวัตถุรูปธรรมเหมือนๆกันจนกระทั่งมันเหมือนกับว่าสิ่งนั้นกับสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันแล้วหลักของความเป็นจริงเทียนปรากรขึ้นมาให้เราได้สัมผัสแล้วก็สามารถสัมผัสได้ถึงธรรมชาติที่เป็นกระทั่งแม้ที่เราเรียกว่านามธรมรมก็ตามก็คือความคิดนี่แหละ ความคิดเนี่ยมันเป็นนาธรรมที่มันมีความว่องไวไวฟาสไวฟาแสงนมสายเขบอกว่าไวไม่น้อยกว่าสิบจดเท่าของพรามนูแสงมันจะมีความไวหมสนแปดหมื่นหกพันไมต่อวินาทีหรือว่าสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีแต่ว่าระนาของจิตคิดมันไวไม่น้อยกว่าสิบจัดเท่าของพรามนู สติปรฏฐานมันไวว่านั้นสติปรฏฐานมันไวทันทีทันใดคิดไวขนาดไหนมารู้สึกตัวปับ๊บสติมันเกิดขึ้นมาเราเห็ น, นกลไกเพราะฉะนั้นการไปทำลงเจมเป็นเกมนะเกมกีฬาเรียกว่าฌานนะักกีฬาระหว่างตัวรู้กับตัวหลงขณะที่เรารู้สึกตัวกลางเหนิงก็เป็นลน้านนาของแต้มนะที่สติมีชัยชนะ แต่ถ้าเผลอไม่รู้สึกตัวครั้งหนึ่งการเคลื่อนไหวไม่รู้นะมันจะหจะลงเผลอความหลงจะเป็นแต้มของตัวขาดสติหนึ่งครั้งก็เท่ากับเราทุกหนึ่งครั้งไม่ทุกหนึครั้งนะทุกครั้งที่รู้สึกตัวก็ไม่ทุกหนึ่งครั้งเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้สึกตัวมันก็ทุกหนึ่งครั้งใจสังเกตตรงนี้แล้วกันมันจะเป็นมิจฉาข้าสามมามิจฉาข้าสามมามิจฉาข้าสามมา แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปเองตรงนี้แหละมันเป็นไปได้ความเป็นเช่นนั้นเองความไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรมันจะปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่รู้สึกตัวตรงนี้เอาตอนนี้ก็พูดมาสี่สิบนาทีเห็นว่าสมควแก่เวลาก็ขอให้บรรยากาศที่เรามารีววร่วมกันถือเอาเทศกาลสงกรานนี่แหละมาเป็นการลดน้ําจิตน้ําใจให้กับตัวเองแล้วก็ลดให้กับผู้อื่น เป็นน้ำคําเป็นน้าลายกระตุกกระเทือนเป็นน้ำนวนในราศีลักษณะของเราก็ขอให้ความดีความงามทั้งหลายแล้วก็การที่เราประพฤติวัดปฏิบัติตำก็จบเป็นไปเพื่อกันตำที่สูตรแห่งกองทุกมีแต่ความผาสุกในเกษมสารเรียกว่าสภาวะของความเป็นปกติในนิพพานโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทั้นเท่า